ข้อที่39เพราะเหตุนั้นบุคคลควรครบพวกบัณดิตเท่านั้นไม่ควรครบพวกคนผ่านไม่ใช่ไม่ควรครอบพวกคนผ่านควรครบพวกบัณดิตอย่างเดียวเท่านั้นที่แท้บุคคลทำบุญอะไรอะไรแล้วควรทำความปรารถนาแม้ว่าด้วยบุญนี้ขอข้าพเจ้าพึงพบพวกบัณดิตเท่านั้น ไม่พึงพบพวกคนผานดังนี้เหมือนอากิติบัณฑิตฉันนั้นดังได้สดับมาอากิติบัณฑิตนั้นเป็นบุตรของประามมหาสารผู้มีสมบัติ80โกรในกรุงพาราณสีเมื่อบิดามารดาตายแล้วได้สละสมบัติทั้งปวงบวชเป็นฤาษีถึงกปิละรัฐโดยลำดับอยู่ในสวนใกล้ กปีระรัตยังชาญและอภิญญาให้บังเกิดแล้วเหาะมาทางอากาศลงที่เกาะไม้หมักเมาใกล้เกาะไม้กากกะทิงอาศัยต้นหมักเมาใหญ่แล้วสร้างบรรณสาลาอยู่ที่เกาะนั้นท่านไม่ได้ไปในที่ไหนเลยเพราะเป็นผู้มักน้อยในการที่ต้นไม้นั้นมีผลก็ฉันผล ในการมีแต่ใบก็ฉันใบที่นึ่งด้วยน้ำอาสนะของเท้าสกะเดราะร้อนเพราะเดชศีลของท่านเท้าสกะทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงแปลงเพศเป็นพรามได้เสด็จไปยืนทำเป็นเหมือนขออยู่ในที่นั้นพระดาบด์นึ่งใบหมักเมาปลงลงแล้วนั่งที่ประตูบนนารรณศาลาด้วยตั้งใจว่า เราจากฉันใบหมากเมาที่เย็นแล้วเห็นพรามนั้นถึงความสมนัตใส่วงเล็บเปิดใบหมากเมาวงเล็บปิดลงในภาชนะพิษาของพรามนั้นไม่เหลือไวสำหรับตนเลยไม่นึ่งใหม่ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสุขอันเกิดแต่ปิติเท่านั้นแม้เท้าส ก, กะทรงรับใบหมากเมานั้นแล้วเสด็จไปหน่อยหนึ่งก็หายไป ทาส ก, กัดเสด็จไปโดยอุบายนั้นนั่นแลสิ้นสมวันแม้พระดาบทก็ให้อาหารทั้งหมดแก่เท้าเธอสิ้นทั้งสวันตนเองได้อดอาหารแล้วต่อมาในวันที่สาท้าส ก, กัดทรงเลื่อมใสแต่ประธานพรแก่ท่านพระดาบทนั้นเมื่อจะรับพรจึงกล่าวคาถานี้ในอกิติชาดก เตรสะนิบาตว่า